เข้าไปสู่ในการกู้สอนเปลี่ยนจิตใ จ, จได้โดยปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วรับรองหมืเห็นกับตัวมักง่ายมักได้ตลอดเวลาการจะเป็นผู้บงคัาบัญชาชันไหนก็ตามจะเข้าในจุดนี้ทั้งหมดมักง่ายมักได้บางทีไปทานอาหารให้ลูกน้องออกลูกน้องก็แยกกันออกตลอดรายการผู้บงังคับบัญชาดีๆจะต้องจ่ายเองเพราะลูกน้องเงินเดือนน้อยต้องจ่ายเองทั้งหมด เราไม่ให้ลูกน้องจ่ายเลยอย่างนี้จะมาไปเห็นมาแหมท่าหนหัวหน้าดีเหลือเกินจ่าให้ลูกน้องเสร็จไม่ต้องออกค่ารถให้เสร็จนี่อย่างนี้ก็มีบางทีเจ้านายบอกว่าเออแหมกระเป๋าไมา่ได้เอามาเสียไม่เป็นไรใจเช้าไม่เป็นไรผมออกเองไม่เป็นไรเอ า, เอ า, เอาขยิมก่อนก็แล้วกันเธอจะไม่รกวรเธอหรอกขยิมก่อนขยิมห้าร้อยนะเอาแล้วมาครั้งสขยิมพันธุ์หนึ่งครั้งที่สามขยิมห้าพันบาทนี้ตังค์เดียวยังไม่ได้ อย่าพยายเลยนี่เรื่องจริงเรืองจริงลืมประท้วงก็นสิจะได้โดนใครยะกล้าทวงนะรับรองพี่น้องคงไม่กล้าทวงนะจะกล้าทวงทีไม่มีทางนี่จะมาเห็นเรื่องจริงนี่เรื่องจริ ง, ร ง, รงประสบะการณ์จากปัญหาเหล่านี้มาอย่างแน่นอนนี่มีความหมายมากทหารมาอบรมที่นี่ได้รับผลดีอย่างยิ่งคิดถึงโลกูกคิดถึงเมียเกิดขึ้น บางทีทหารหญิงก็คิดถึงสามีทีเดียวคิดว่าตัวเองที่ทำผ่านไปแล้วไม่ถูกต้องเลยมันจึงเดือดร้อนเป็นบาปอยู่ในใจตจลอดมาก็แก้ไขปัญหาไม่ได้มาได้ตาราที่นี่แก้ไขปัญหาได้ทันทีไม่ต้องรอลีจัประการใดนี่เมื่อวันซืนนี่ท่านด็อร์พันเอกสมศักดิ์สัญญาคำทนท่านมาอบรมที่นี่ในกองทัพบกท่านก็ได้มาคว้าได้ความคิดที่นี่ กลับไปรีบเล่มรวบรวมธรรมะไปหาพระอาจารย์ต่างๆแล้วก็พิมพ์หนังสือไปรูปเล่มแจกทั่วไปแล้วมาให้ที่นี่2 0 0พันวันสุดท้ายจตมาก็จะให้ท่านกลับไปด้วยคนละเล่มต่อเนึกว่าเป็นประโยชน์ดีนะอันนี้เป็นการเปลี่นพฤติกรรมที่ดีงามของคนเรานี่แหละมันอยู่ที่นิสัสปัจจัยเปรี้ยวหวานมันเค็ ม, มก็อยู่ที่ตรงนี้เองไม่จะอยู่ที่อื่นแต่ประการใด ถึงขอเจริญพรญาติพี่น้ององก์การศาสนาด้วยนี่แหะมันอยู่ที่นิสัยบางคนเนี่ยเราอยู่ในตรมล้วก็รู้ล่ะคนไห น, นี่สายดีมาดีอันนี้ไม่ต้องไปกล่าวเพราะเป็นที่รู้ทั่วไปบางท่านก็อริยรอบจริงๆเอาดีเหลือกเกินถามทุกข์สุขอยู่เสมอขัดข้องประการใดท่านบุคคลาพชาท่านช่วยอย่างนี้เจนิสายดีช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้วช่วยปกป้องรักษาความทั่วบางอย่างที่มันเผลอไปก็ให้ดีขึ้น โดยช่วยเหลือนะไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่ประหารชีวิตแต่ประการใดก็เรออียร์ลอกก็ทุ่มห่อหอ่ห อ, อการให้พระนิพนธ์หอมหมกหยิบยกขึ้นมาในใจอย่างนี้สิ่ น, นิตัยปัจจัยเป็นส่วนสําคัญของชีวิตไนดะ้แก่กรรมาฐาน ก, กรรมาฐานมีหลายอย่างอาตมาปฏิบัติประสบการณ์มาหลายอย่างตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆก็ยังไม่รู้ ลองตาองค์นี้ก็ว่าอย่างนั้นลองตาองค์นั้นก็ว่าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างไรกันได้ไม่รู้อีไหนมันจุดดีจุดตั้งมันมีอยู่สมถะ40สประการมีวิปัสนาอยู่อย่างเดียวคือปพัฒนาปัญญาทําให้เราเกิดปัญญาอย่างเดียวขัน่าลูบนามเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นตน้นแต่สมถะมีถึงสี่สบประการโดยที่เพ่งกรสินมามีก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกเช่น อาดาลลาบทก็ดีสําเร็จฌานสมาบัตโยคียเลศีชีพายจะอยู่ป่าหิมะผานอายุนานทุงหมื่นหมื่นปีอยู่ในฌานสมาบัตแต่ไปไหนไม่ได้โยคียเลศีชีพายห่ะเหินเดินนาฏได้จริงห่อได้แต่ไปนิพานไม่ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ไม่ได้เพราะอะไรติดอัตตาไม่มีอนัตตานี่เพ่งกร ะ, ะสินแล้วสําเร็จฌานสมาบัติสามารถจะดําดินได้ ออเหเดินอากาศได้สมัยพุทธกาลนานมาแล้วนี่ยังมีอยู่เหมือนกันขนาดนี้ตามป่าตามดงพระที่ประเภทนี้ท่านไหมายุ่งกับเราตอนออกไปตามป่าตามดงท่านสามารถจะาหายตัวโยนหุ่นทางที่เขาขเล่ากันมาเนี่ยท่าน ม, มาเล่าตามเขาอย่างเจริญปู่แสงอาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตอยู่วัดมณีชนรคานโกบุลีท่าปลายินทบาทกรุงเทพมาทุกวันไปไปโปรดยมกรุงเทพ มาสมัยก่อนนี่เรือก็ไม่มบีมีรถไฟมาสมัยราชการที่สี่ที่ห้านี่เองแล้วก่อนก็ไม่มีหรอกรถไฟก็ไม่สา ม, มารถจะแล่นไปทั่วประเทศได้บัดนี้จเจริญแล้วก่อนนี้ก็ต้องยนต์หนทางเดินทางไปบินท บ, บาททีกรุงเทพก็มีพระบางองตอน่งจเจริญกุศลภาวนาอาตมาไปเจอมามีอยู่สามองโคดได้สิบสองภาษาไม่ได้เรียนมาก่อน ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่คืออาจารย์กรเกษมจังหวัดลำปางเคยไปเจอในถ้ำที่เชียงดาวเมื่อสมัย30สิปีก่อนโี่้นโพนมาท่านก็เล่าให้จะมาฟังว่าท่านไปนั่งกรรมฐ า, านในป่าท่านก็นั่ ง, น, งนั่งบอกร้อนนือเกินนี่หลวงพ่อกเกษมร้อนทนไม่ไหวญาติโยมก็ติดตามไปก็ไปตรวจโรงพยาบาลหาหมดหาหมอหมอหาหมอโบราณ ก็บอกว่าไม่เป็นลายไม่เป็นไข้ตระหลอดไม่ขึ้นแต่ทำไมท่านร้อนเลือเกินต้องไปนอนแช่น้ำต้องไปนั่งแช่น้ำ่อองจะตายแล้วจะตายแล้วท่านนั่งอะไรรู้ไหมท่านเพลงกระสินไา่ท่านเพลงกระสินไผ่ตลอดรายการนี่มีก่อนพระพุทธเจ้านานแล้วไม่ใช่ทางพะเบดมรผลแต่ประการใดหลวงพ่อกเกษมก็นั่งเรือยไปบอกเอาละหมอหมดก็รักษามไม่ได้ เราจะต้องยอมตายในเมื่อเวลาการต่อมาภายในเจวันท่านก็ขึ้นมานั่งคือเข้าไปในท่บแล้วก็นั่งภาวนาของท่านเรียกว่าสัมมาทากำหนดจิตหายใจเข้าออกโดยมีเพ่งกระสินไฟเตโชกกสินนี่ฉันเล่าจะมาฟังก็เพ่งไปเพ่งมาก็ร้อนไปหมดบอกเหมือนอยู่ในกองถานแล้วก็ร้อนเราอก ป, ปวดศีรษะจะแตกแล้วปวดศีรษะจะแตกแล้ว นาเข้ามูโตแต่ทันทีท่านเล่าอย่างนี้แล้วก็ตุ่มนี้ก็ระเบิดออกมาตุ่มนี้ตุ่มนี้ตุ่มนี้บนที่สาเป็นตุ่มหมดก็ได้ความมาตุ่มนี้ภาษาฝรั่งเศสตุ่มนี้ภาษาบาลีตุ่มนี้ภาษาจีนตุ่มนี้ภาษายวนต่มตุมนี้ภาษาลาวก็ว่าไปหลายตุ่มแล้วท่านเล่าว่าไปพูดก่อนไม่ได้ท่านก็นั่งอยู่เฉยๆฝรั่งมาส่งภาษาถามตอบยาทันที ไอ้ตุมนี้มันจะเปิดรับทันทีนี่เขาเรียกมูโตแตกนี่จะมาคุยกับหลวงพ่อกับเทมมาสมัยสามสิบปีก่อนนี่เล่ากันฟังเรื่องจริงที่ประสบมาแล้วตุมนี้มีพระมาหาบาลีเรียนไวยากรณ์เรียนเล็กเก่งมากท่านก็มาส่งภาษาบาลีมาทดสอบก็ส่งภาษาบาลีพับตุมนี้เปิดทันทีตอบรับภาษาบาลีคุยกันด้วยเป็นภาษาบาลีทันที เลยถ้ากระทำหนีพระหมาประเดียนบอกพูดยังไม่ถูกยังใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกตอ้องนั่นแน่ไม่ได้เรียนเลยนะไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ไปเจอชาวเยอรมันท่านเล่าว่าเขามาทัศนจรเ็าว่าขันเก่งนะักเลยก็ส่งภาษาเยอรมันเลยไอ้ตุ่มข้างหูนี่เปิดลับคุยกันสบายมากนั่นแน่นี่อย่างนี้นะนี่เราท่านฟังแน่ ไม่จะไปอวดอ้างประการใดว่าท่านเล่าต่อมาเมื่อสมัยตมาสามสิปีไปได้ยินมาและประสบด้วยตนเองนี่ท่านพูด ห, หลายภาษาหลวงพ่อบาทใหญ่แว่นแก้วนี่ก็พูด ห, หลายภาษาบาดนี่มรณภาพไปแล้วเขาเรียกหลวงพ่อบาทใหญ่ไปบินท บ, บาทถึงกรุงเทพกรมการศาสนากองสังกฤตบอกนี่หลวงตาบาทใหญ่อย่างนี้ผิดวินัยที่ลัางเอาบาตรเต็ดเลยท่านก็บอกว่าเจริญพร บาดอาตมาพอเหมะพอเหมาะสาหรับอาตมาแต่ไม่พอเหมาะกัคนอื่นท่านก็ว่าอย่างนี้กรมการศาสนาสมัยก่อนสมัยใครสมัยหลวงหลวงบริลักษดหลวงอะไรอะไรหลวงอะไรเป็นอธิบดีกรมการศาสนาาามจําไม่ได้ช่แล้วคุณหลวงเป็นหลวงหลวงอะไรลงรักเนี่ยนะอา่าเป็นอธิบดีกรมการศาสนาจําไม่ได้ ท่านลอยฟังเนี่ยก็มาไต่ถามกันอย่างนี้นี่ะท่านก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยท่านก็เล่าตามรอยคล้าย ก, กันกับหลวงพ่อกเกษมจังหวัดลำปางเมื่อเร็วๆนี้จะมาไปเยียบไปอยู่หน้ากุติแล้วก็ท่านอยู่ในห้องโรงพยาบาลแล้วเตรียมของให้เสร็จทาให้เข้าใข่าหาเรานำบริวารไปหลายคนเดี๋ยวบอกกับคนใช้ลูกศิษย์ บอกถวายว่าหลวงพ่อวัดอภวันน้อยทํำไมรู้อ่ะยังไม่ได้เข้าไปหาเลยทํำไมรู้บอกนี่ไปแจกหลวงพ่อวัดอภวันองค์เดียวแล้วทําไปแจกรู้สึกเองอะไรรู้ไหมที่แจกมั น, นอะไรอผู้เพอโบอะไรก็ไม่รู้ไอลีบินลีบินแจกเยอะแยะเลยทานองนี้เป็นตน้นอันนี้เราก็ไปแจกต่อการนี้เราได้ฟังว่าถึงการบําเพ็ญสมถะ แต่ก็ไม่สามารถจะเสม็จมาผ่อนนิพพานได้และให้หลุดพ้นได้โดยํานองนี้แล้วก็มโนยิธิเลิดสีลิงดําท่านเชี่ยวชาญทางมโนยิธิอาตมาก็ไปเรียนมโนยิธิไม่ใช่เหลิดสีิงดาไปเรียนกับลหลวงพ่อหลวงพ่อท่นั้นแล้วหลวงพ่อหลายวัดหลวงพ่อเดิมท่านก็สอนได้อยู่ที่วัดน้องโพจังหวัดนครสวรรค์ไปอยู่กับท่านหกเดือน อาารก็สอนมโนยิธิสอนหลายๆอย่างมโนยิธินี่หมายความว่าให้ยึดมั่นในปิติในอุปาทานยึดมั่นในคําว่าพุโทโธแล้วก็เพ่งไปดูแล้วก็พระอาจารย์เขาจะบอกว่าเห็นหรื อ, อยังเห็นหรื อ, อยังทํานองนี้ถ้าจิตเกิดปิติขึ้นมาด้วยอํานาจของสมาธิเกิดปิติรับรองเห็นร้อแต่ในฝ่ายวิปัสสนาเขาบอกว่า เห็นจริงแต่ของนั่นไม่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นมั่นอย่าเอามาเป็นอารมณ์นี่วิปัสสนาก็แย่งออกมาอย่างนี้เพราะขาดสติปัญญามโนยิชิอยากจะดูบ้านของใครมีอะไรบ้างเห็นเนีชัดแล้วมโนยิชิอยากจะไปดูสวรรค์ก็ได้อยากไปดูนรกก็ได้อยากจะไปพบพระพุทธเจ้าเห็นจับมือถือแขนกันได้คุยกับพระพุทธเจ้าได้นี่มโนยิชิ สามารถจะเกิดฤทธเดชเดชาจากสมาธิภาวนาได้เรียกโมโนยิธิอันนี้จะมาไปทํามาหลายปีต้องนับได้เป็นสิบสิบสบปีแต่แล้วก็ไม่สามารถจะพ้นทุกมีแต่เพิ่มทุก์มีแต่เพิ่มกมเมิเลสคิดว่าโมโนยิธิเราจะได้มาสร้างวัดให้ใหญ่โตมีอิทธิปาฏิหานมากมายแต่ในที่สุดเราก็ไปไม่รอด ทำไมถึงจะรอดต่อไปเดี๋ยวฟังต่อไปในเวลาการต่อมาปศสองพร้อยไปอยู่กับหลวงปศวัดปากน้ํารฏิเจริญตลาดพรูลงเรือหนึ่งบาทถึงบุรีถึงท่าเตียนแล้วก็เข้าไปสู่ึ้นรถเมล์ไปลงตลาดพรูลงเรือจ้างไปหนึ่งบาทถึงวัดปากน้ำพระทิเจริญมีชะลาตําตามอยู่ริมน้ํามีแม่ท้วม เป็นผู้รักษาโรงครัวมีแม่ชีมากพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายกุฏิไม้ไม่ใจมีตึกเหมือนสมัยยุคปัจจุบันทุกวันนี้อาตมาก็ไปอยู่กับท่านการบอกว่าหลวงพ่อครับผมจะมาเรียนภาวนาแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ขัดข้องแต่เธอไปหาที่อยู่เอาเองเพราะพระมาแน่นอาตมาก็ไปดูที่อยู่ก็ไม่มีเลยก็ไปอาศัยในโบสถ์ วัดปากนะ้ำหลังเตาที่ยังไม่ซ่อมแซมเหมือนยุคปัจจุบันทุกวันนี้้าประเป๋าผ้าผ่อนสายจิวรก็ไปฝากวันนโบทถ์แล้วเวลากลางวันก็ออกมาทำฌานรอบมีหารโคกเจริญธรรมกายสลังมาละหางผู้หญิงชายขวาจเจริญตลอดมาถึงเวลาหเดือนถึงเวลามืดคำ่ำก็เข้าไปอาศัยนอนในโรงโบสถ ถึงเวลาสว่างตีสีแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรออกมาข้างนอกเพราะเขาจะต้องทําวัดถวดมนต์การจะไปนอนอยู่ไม่ได้แล้วก็มานั่งข้างนอกตอนสมัยหลวงพ่อฝั่งน้ํายังเป็นเจ้าคุณภาวนาโกศลเทระสมัยก่อนที่ท่านเล่าเป็นหลงหน้าของสมเด็จพระสมเด็จระสังฆราชป๋าวัดพระเทตุพนบ้านอยู่อำเภอสองพี่น้องท่านก็เล่าประวัติให้เจ็ดท่านบอกว่ามาพบด้วยของท่านเอง สะแหว่งหาภาวนามาหลายแบบรูปแบบเลยก็มาพบธรรมกายกว่าจะได้ยี่ยำลุงเลยเดียวทำมาหลายปีกว่าจะมาพบธรรมกายอันแน่นอนท่านก็ค้นหาของท่านเองก็เรียกวิชาธรรมการอาตมาก็ไปอยู่กับท่านสัมมาหังผู้หญิงตาชายขวาเวลาจะรับกรรมาฐานวัดรับวันพฤหัสวันพฤหัสจะคนเต็มวัดเชียวมารับกรรมาฐานมากมายรับกรรมาฐานเสร็จแล้ว ตอนเช้าก็ไปนั่งภาวนากันแล้วทานก็ไปพักพ่อตอนบ่ายสองโมงก็จะออกไปที่หน้าลานหัประชุมอาตมาผู้หนึ่งก็ไปนั่งด้วยก็มีประชาชนมีทุกมีทุกมาก็เขียนทุกในกระดาษใส่บาทไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาทไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาทไว้ฉันจะช่วยภาวนาให้อาตมาเป็นผู้แกงเวลาเสร็จแล้วก็เอากระดาษมาดู ทานบอกว่าทุกเรื่องครอบครัวไว้คัดไว้ที่หนึ่งทุกเรื่องลูกเอาคัดไว้ที่หนึ่งทุกเรื่องที่ดินหรือกรณีที่เกิดขึ้นโลงศาลไว้ที่หนึ่งทุกเกิดขึ้นลูกไปอยู่ต่างประเทศที่จะต้องเดินทางขึ้นเคือบินไปอีกพวกหนึ่งก็คัดท่านเราก็ได้ตำรามาข้อหนึ่งท่านบอกว่าจับดูก็รู้เราจะแผ่เมตตาออกหรือไม่ออกถ้าคนนั้นที่มาให้ท่านช่วยถ้ามีจิตไปหลักปูชอน ต่ำก็ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์ท่านบอกภาวนาไม่ขึ้นพผ่เมตตาไม่ออกคนประเภทนี้ต่ํามากจิตใจหยาบชาไม่ใช่ช่วยเลยทุกคนนะเมตามาได้ตําราแผ่เมตตาจากหลวงพ่อวว้ปักน้ําบางคนจะช่วยได้ไหมท่านบอกดูชื่อดูนามสกุลไม่ต้องวันเดนตรีคนนี้เราจับแล้วก็มาภาวนาธรรมกายท่านบอกนี้บอกว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้ ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ปแปล ว, ว่าคนนี้จิตต่ําต่ำจนช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยอุนหนุนไม่ได้เงินทองให้ต้องสูญหมดเราก็ได้เทคนิคมาอย่างหนึ่งอาตมาจึงมีตําราอย่างนี้อีกประการหนึ่งประการแผ่เมตตาช่วยได้หรือไม่ได้ลูกจะเรียนหนังสือเขาจะตายจะช่วยได้หรือไม่ได้จับดูชื่อนี่ก็รู้ว่าตายแน่ช่วยไม่ได้แม้นี่ได้เคล็ดลับมา เพาวิชานี้ไม่มีขายในตลาดอตมาก็ได้มาประการหนึ่งแล้วก็ตอนหลังจากนั้นมีการแจกพระสมเด็จองเล็กๆองละยี่บ้าบาทลูกกอยีบห้าบาทคนหนึ่งต้องได้องค์เดียวหลายองค์ไม่ได้อตมาก็ฉลาดนะแต่ก็ไม่บาปเราะหลวงพ่อผมองหนึ่งเอาไปแล้ววันหน้าต่อไปท่านลืมแล้วก็บอกหลวงพ่อผมอ ง, องหนึงเอากรารก็ห้เช่า ไปแล้ววันหน้าต่อไปอีกหลวงพ่อผมองหนึ่งวันก่อนได้แล้วไรือเ่บอกได้แล้วไม่พอออแกนี่โลภมากจริงๆเอาอยากได้อาไปเนี่ยเลยเราก็ได้มาต้องหอย่าบาน่าจะกลับมาหกเดือนแ น, น่ใครอยากได้ไหมนะใครไม่อยากได้ก็เงียบซะ แล้วก็อยากจะแจกพวกลมเหมือนการเห็นเงียบเลยอดให้เพราะมัอยากได้เนี่ยเราให้เฉพาะคนอยากได้คนไม่อยากได้ให้ไปก็เขาก็จะเอาไปทิ้งเนาะเอาไปทิ้งแน่นอนในเมื่อปเป็นเช่นนี้ก็จเจริญธรรมกายนี่เล่าถึงวิชาธรรมกายกนสามมาลหางผู้หญิงซ้ายชายขวาจับศูนย์กลางคอลูกเดือกปริ น, น้ำไาย แล้วก็หายใจเข้าออกโดยสัมมาอารหังย้อนไปหาสะดือจดศูนย์กลางสะดือแล้วหายใจเข้ายาวๆสัมมาอารหังผู้หญิงให้ไปทางซ้ายผู้ชายให้ไปทางขวามีเส้นอยู่ตรงคอลงไปสองเส้นผู้หญิงซ้ายผู้ชายจ้องลงทางขวาผัดเปลี่ยนกันตะยงงี้แล้วก็เวียนขึ้นไปลูบขมอม สัมมาละหังแล้วก็ไหลลงมาที่ลุกระเดือกตือน้้ำลายตัมมาละหังและจุดไปที่ลิ้นปีง้ัมมาละหังแล้วก็ลงไปสะดืออองสะดือแล้วก็ย้อนไปถ้าเห็นสายสะอาดแล้วก็ไว้บนขอมอมให้ไปลูกแก้วใสลงไปดึงไปเนื่องจิตที่ประพัดสอนจะเกิดแสงสว่างเห็นธรรมกายจากหนึ่งว่าถึง2ี่วะา จาก20วาน้อมลงมาเหลือหนึ่งวาแล้วก็เหลือเท่ากับเม็ดงาใสาแจวนี่อย่างนี้วิชาธรรมการนี่ เ, เลา่าคร่าวๆที่พูดนี่ทำได้ในเวลาการต่อมาที่ยังทำไม่ได้ก็นั่งมาต้องหาดืองกว่าแล้ววิธีนั่งทำยังไงสัมมาหังต่อตามาก็ตั้งสัจจะวันหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่เลอไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่เลอะนายโบดเลยชยุีหนึ่งแล้ว สัมมาลหังสัมมาลหังคอยจะลืมลตาดูนาฬิกาเรื่อมาเลยมันจะถึงเทอกสัมมาลหังปวดขาเลือเกินสัมมาลหังปวดตูดเลือเกินตูดร้อนแล้วเหมือนเข็มมาแทงทจะตูดสัมมาลหังสัมมาลหังเออนาฬิกามันจะถึงทักทีสัมมาลหังเหลืออีกสักยี่สิบนาทีเลิกเถอะนอนก่อน แล้วทำต่อถึงอารมณ์ดีเลยแล้วก็เชื่อมานเลยก็ล้มตัวนอนหลับปล่อยไปเลยตืินก็เช้าตีสี่ตีห้าแล้วหกโมงฉันก็ต้องวัดนี้ไม่ต้องบินชาบาทพอหกโมงแล้วล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวก่อนฉันเข้าตอมนี่เอาซะสามสิบนาทีเห็นจะดีไปแน่ก็ามานะั่งสัมมาหางังสัมมาหางัง อันี้สายเดิมมีเอ้ยอย่าเพิ่งไปสำมาหังไปฉันก็ต้อมให้อิ่มก่อนแล้วก็เลิกเลยพอไปฉันก็ต้อมสามชามเสด็จสมชามใหญ่ๆโอ้ยอืดเลยท้องอืดอิ่มจังเดี๋ยวเถอะนะกูจะต้องเอาหนึ่งชั่วโมงเอาหนึ่งชั่วโมงพอมาถึงนั่งแล้วหนึ่งชั่วโมงไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงไม่แล้ว น่ตั้งสัจระอย่างเข้ ม, มวดกลัวขันพอได้สักสามสิบห้านาทีเอเดี๋ยวหยุดสะ ก, ก่อนก็ได้เอ็นหลังก่อนเชฟเอ็นหลังก่อนฉันเพนก่อนทําต่อเออดีเหมือนกันแล้วก็เอ็นหลังต่อไปฉันเพลนแล้วก็อีกมาเฟอร์นิลาหเดือนแล้วทํำยังไงถึงจะได้ไม่ได้เลย นางหนึ่งชั่วโมงก็ผัดวันประการพรุ่งตลอดมาเราก็ไม่จับไม่สามารถจับวิชาธรรมกายได้ว่ามันเป็นยังไงมีจากคนเขาได้เขาไลฟ์ฟังว่ามีแฉเงย ง, งนมีเสมีแอย่างงี้ก็ว่ากันตายตามเรื่องของวิชาธรรมกายมีญาติโยมผู้หญิงมากมายทีทั้งภาคใต้ภาคเหนือมาทั่วประเทศแล้วเราเอ๊ยยังไงเราก็บวชมาก็ทําไม่ได้ในเวลาการต่อมายาธิ่ฟันไม่มีแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยปัจจัยสี่หมด ในเรื่องการเรื่องอาัยแล้วกระพาสบงก็หมดมีอยู่สองตัวไม่รู้ใายไปตากไว้เอาไปสักตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวไม่มีพลัดเลยก็ไปกราบลาหลวงพ่อสดบอกหลวงพ่อครับขอญาตเข้าเมืองเขา้าเมืองหน่อยบอกเธอจะไปทำไมบอกว่าจะไปซื้อของใช้จำเป็นอ้าวแต่เธอจะไปได้บอกแม่ช่วงก่อนเดี๋ยวก็จะรู้จำนวนพระจะจัดอาหารลาบาก ใครไปใครมาก็ต้องไปบอกคุณ่าแม่ครัวเราก็จับจุดได้ที่นี้ไม่ต้องไปบอกหลวงพ่อละบอกคุณโยมทั่วบอกจำมาเพนไม่อยู่นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เราก็ไปไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ก็เดินทางไปพอดีตะพานพุทธเกิดเสียหรื อ, อยังไงเขาเปิดไม่ได้หรื อ, อยังไงสมัยโน้นจําไม่ได้เนี่ยมันเป็นเวลานา น, านแล้วแล้วก็รถเมย์ก็ไม่มีเบาะมีสองแถวนั่งสองฟ้า รถเมขาวหรือเมแดงจาไม่ได้มันนานแล้วอาตมาก็ขึ้นไปต่อพายยากเพราะเราเป็นพระบันนอกยังเถื่อนมากแล้วมีร่มคันหนึ่งก็เอาไว้บนบาเ ก, กะหมดไปก็อย่าโยมนั่งเต็มรถเราก็ต้องยืนแล้วก็รถวิ่งก็ต้องเอามือนอั่งเกาะลังคาไว้มีไอ้ไม้สองอันจําได้แม่ขอลังคาไว้เวลารถออกที ต่อทีต้องเกาะให้แน่นเดี๋ยวจะไปล่มทับอย่าโยมข้าวเราก็มานึกเออโยมผู้หญิงเออคนกูเทพนี่ใจตืดเลือกเกินจะให้พระนางหน่อยไม่ได้มาให้นางเลยเราก็ยืนขาแข็งก็จับจุดได้ไปถึงสะพานพุทธต่อต้องไปติดกว่าจะข้ามได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงต้องสองชั่วโมงแล้วขาวก็สัน่นดิกๆๆๆในเวลาการต่อมาอ่ตมาก็นึกว่า ไหนไหนมันก็ไปจนแต้มแล้วไปไม่ได้ลองก็ปฏิบรรัติทำขานาดยืนขณะยืนก็สัมมาละหังสัมมาลหังทำจดให้มันถูกต้องวางจิตให้มันถูกแล้วก็ที่ต้นคอตรงไหนซ้ายตรงนี้ขวาตรงนี้ต่างตังนั่นตามสูตรธรรมกายที่เราได้รับเรียนมาพอทําไปแล้วปวดขาจะแตกแล้วขาก็สั่นเด็กๆๆๆเวทนาเวทนามีมาก ในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็กําหนดตั้งสติไหวที่สัมมาหังมาเด็กําหนดอย่างที่เราทําเหมือนปัจจุบันทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใจในบทนี้เลยก็สัมมาหังไปโวกว่าโวกว่าโวกลงไปโวบลงไปเย็นไปทั้งตัวขณะที่ยืนในรถร้อนก็ร้อนแต่แล้วก็เกิดไปเย็นเย็นแล้วเกิดว่าขึ้นมาเกิดแสงพุ่งออกจากลูกแก้ว พุ่งไปตาวีนตะพานพุทธเห็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นได้ชัดมากขณะที่เราอยู่ข้างหลังเห็นข้างหน้าทีเดีวนี่แสงนี่ก็ส่งแล้วเราก็อธิษฐานจิตให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าหยอด ว, า, วางขยายออกไปเห็นตัวหนังสืออ่านออกอีกจดไว้แล้วก็เห็นข้างหลังที่เขียนอนุสอนพุทธยอดฟ้าเขียนว่ายังไงอ่านออกหมดห๋อ จับจูดได้เลยมาได้ตอนเวทนาที่หมดไปต้องอดทนต้องฝืนใจถึงจะได้ผลเลยก็จับได้ตำลาหนึ่งแล้วก็ทุระในเมืองเสร็จแล้ว ก, กลับมาก็ถวายรายงานแก่หลวงพ่อสดหลวงพ่อสดนั่นงาแกได้ตอนมีทุกหมดทุกแล้วถึงจะเห็นความสุขถึงจะเห็นแน่คือธรรมกายคุณจําไว้เราก็จําไว้อ๋อ ความสุขได้มาจากความทุกข์กว่าจะได้เห็นผลปัญญาต้องเกิดเวทนาอย่างะแยงและเราฝืนและทนผ่านพ้นไปได้มันยังเกิดแสงสว่างคือปัญญานี่จับตาราได้ข้อหนึ่งพอได้เสร็จแล้วหลังจากหกเดือนผ่านพ้นไปก็ขอกราบลาหลวงพ่อสดโลวงพสดจับยังวัดวารามพวกเราต่อไปแล้วก็เดินทุดลงต่อไปอีกไปแสวงหาหลังนั้นจากหลวงพ่อเดิมไปอยู่หลวงพ่อเดิม ไปตอนก่อนนอนหเดือนพราะเดินมณาพก็พเดินพระอัฐานเกลงศพกันเสร็จแล้วก็ยังได้ตําราเลี้ยงช้างตําราช้างตกน้มันที่ฉันหลวงพ่อเดิมให้ตอนที่นั่นอาตมาไม่ใหญ่ไปศึกษาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเดิมจระการได้ต้องการไปศึกต้องการไปขอคาถาผู้หญิงสักบทหนึ่งแล้วก็ศึกไปเพื่อจะได้มีครอบมีครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขว่าไปอย่างนั้น เราไม่ได้สนใจบวชเพราะไม่ได้เลื่อมสายพระไม่เลื่อมใสเลื่อมบุญบาปแะไม่เชื่อหมืนเอร์เซนเพราะเราเป็นเด็กเกะเด็กที่เราไม่รู้คำว่าบาปบุญเป็นอย่างไรแล้วเราก็แสวงหาตอนศึกโดยทราบว่าพระมีวิชาความรู้มีสิลปศาสตร์มีน้ำมนตดีศึกแล้วคงจะดีตามที่กล่าวแล้วเราไปแค่ให้ศึกกาจรบอกว่าเอยศึกไปทำไม แล้วก็มีข้างฝาท่านมีกระบีกระบองท่านหับลูกชิดวัดตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มตอนนั้นที่จะมาไปนะ่ะอายุร้อยห้าปีแนละ้วท่านเดินไม่ไหวแนะ่เมื่อห้าหกปีก่อนที่ท่านจะเดินไม่ไหวเขาจะต้องหามท่านเข้าไปนั่งที่อุปชาหลังตกนะตอนหลังท่านไม่นั่งอุปชาแนละ้วแต่ก็นั่งอยู่ที่กุฏิท่านก็ไปนวดให้ทุกวันทุกคืนท่านก็เล่าตำราพิชาตำราตำราพิชาสงครามให้ฟัง เพลงกร บ, บี่กระบองตามวัดนี่หัดลูกศิษย์ท่านบอกว่าสมัยก่อนมาเนี่ยต้องหัดลูกศิษย์วัดซีเพลงกร บ, บี่กระบองน้าวลาวแลนมวยเพื่อจะได้เป็นพระทหารขององค์พระราชาลับใช้ชาติต่อไปแล้วก็เวลามีงานคนจุกจะจ้ให้ลูกศิษย์วัดไปลามกร บ, บี่กระบองแล้วก็ได้6บาทยกครูจะได้มาแบ่งค่านักเรียนให้เด็กไปเรียนหนังสือต่อไปมีจังเพลงกร บ, บี่กระบองมีวัดอะไมาจึงรู้เรื่องนี้มา แล้วท่านเล่าละเอียดเนี่ยนี่เล่าหยาบๆให้ฟังแล้วท่านก็แพนให้วิชาเลี้ยงช้างท่านบอกว่าท่านชานานมากตั้งแต่ปู่ย่าตาช่วยของท่นทนานชานาญช้างไปต่อช่างปาและช้างตกน้ํามันฤดูไหนตัวเมียตกน้ํามันมันมีนิสัยเป็นยังไงตัวผู้ตกน้ํามันมีนิสัยเป็นประการใดช้างหูเทปอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรเลยก็ตมาก็บอกว่าหลวงพ่อผมไม่เอาหรอกผมจะสึก ท่านก็พูดมาจนเจ็บใจมาจนแบบ น, นี้แล้วก็เอามาเป็นคติเตือนใจบอกอย่ายิงโยโสมะมแรงปองผู้ใหญ่ให้อย่าจองห้องเสือมีหลายตัวให้ไปแล้วไปเก็บไว้ก่อนจําเป็นเอามาใช้เป็นอะไรไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามชั่วดีเรียนไหมแต่บอกมันจําเป็นจะต้องใช้ทุกอย่างในเมื่อจําเป็นเกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าเธอจะรู้ต่อตอนโน้ตเลยเราก็ต้องเรียนท่านบอกว่านี่นะคนที่วัดนี่น้องโพเนี่ย ไปเครือกินดางเลยเราก็ได้รับเรียนวิชานี้มาเรียนรู้ช่างตกน้ำมันช่างป่าช่างพลายช่างงานเนียมช่างเผือกมันเป็นยังไงช่างหูทิพมันหูทิพตรงไหนอันนี้ตามมาจะไม่เล่าายละเอียดในเวลาการต่อมาจะออกลาจากมันเพราะเดิมไม่ได้ศึกตามไม่ยอมศึกให้ให้วิชาเดียวเรียนชา้างวิชาต่อช่างป่าวิชาที่จะต้องจับช่างตกน้ํามัน วิชาที่เลขเทสุบายสําหรับช้างมีโกรมาณยาอย่างไรเพราะว่าช้างนี้เราจะปราบมาเนี่ยต้องปราบเทวดารักษาช้างมันช้างมันจะดุร้ายเนี่ยไอช้างหัวหน้ามันมีเทวดารักษามากต้องแผ่เมตตาเทวดาช้างด้วยคาถาบทนี้เพราอแผ่เมตตาเทวดาช้างเทวดาเขาจะบอกช้างเองเขาจะบอกเองแม่นี่ซึ้งใจหรือเกินทําให้เราได้ทําลาแผ่เมตตาให้เทวดาประจําคน บางคนนี่ดุร้ายเหลือเกินต้องแผลเทวดาประจำวันเกิดความมันจะบอกกันเองมันจะเปลี่ยนนิสัยได้เหมือนการบางอย่างที่แค่ถูกคราวได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่จะเปลี่ยนนิสัยตลอดไปไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมอาตมาก็ได้จํามาออกเดินทุ ด, ดงอย่างไรนี่ตํารานี้ก็ติดตัวแล้วนี่รู้ไหวใช่หว่าแบกแบกหามจะใช่ตอนไหนในเวลาการต่อมาเขาก็ลําลือกันอีก ลํำลือกันยังไงเขาบอกยืดเหรียญเป็นหวยสามครับขอให้พี่น้องโยมทุกคนปิดฟังอยากได้หวยไหมแต่อยากได้หวยจะบอกให้แต่แม้เป็นขลิการทกรมการศาสนาซะด้วยยุติธรรมไม่อยากเล่นหวยและเล่นไม่เป็นด้วยรับรองเล่นไม่เป็นเพราะต้องรักษาศักดิ์ศรีกรมการศาสนาเล่นหวยไม่เป็นหรือจะเล่นบ้างอ็ตมาไม่ทราบ เพาอยู่ในกลมคงไม่เล่นอยู่ที่บ้านคงเล่นบ้างหรืออย่างไรเดี๋ยวกลับไปจะให้ทีสองล้านเอาไหมเอาไหมเอ า, เอาตกลง เ, เราเล่นสนุกสนุกเนาะ <c oughs> เวลาการต่อมาพวกกรุงเทพที่ตื่นแต่เก่ง